เธอยังสฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการทำให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้ถึงแม้ว่ามันลำบากใจเธอก็ต้องไปอยู่ดีรีบเช็คดวงตาที่เธอมีคิดเสียว่าจะเจอคนดีกว่าฉันอย่าคิดกังวลอะไรเปิดไปตาที่เธอฝัน ใใเธอเจอมันแล้วก็ก้าวไปเธอเลือกได้อะไรที่ดีกว่ากันอย่าคิดกังวลอะไรอย่าเดินไปตามที่เธอฝันฉันอยู่ตรง ใจเธอไม่ได้ไม่ฟื้นใจกันก็ทิ้งกันไปเ yeah. ฮ่าทำใจได้ยากคงไม่เป็นไรแค่เสียเธอไป In you.